b o o ก2ารการปฏิเสธหนึ่งผมไม่เข้าใจคาศัพท์ นอคตอาลผมไม่เข้าใจประโยคนกอคุปยลินผมไม่เข้าใจความหมายคุยคุตนอคุปยคุปตมิ ค, มมคุณครูมส วยคุณเข้าใจคุณครูไหมครับอ้กุตมสวอเอคุปต์ต้อยมวยสิครับผมเข้าใจท่านดีป๋อเอคุปตอยมี ร, มรคุณครูมาสวยสี วคุณเข้าใจคุณครูไหมครับ อ, ร อ, อ่อะเอคุปโตนมาส่วนัวนครับผมเข้าใจท่านดีป๋าเอคุปโตยมีรป๋าเอคุปโตยมีรผู้ค น, น ยิคุณเข้าใจผู้คนไหมครับ อ, อ น, นีเยิต อ, อ่าไอคุปโต r เ น, นียร์ซิไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับย่อนุกีคุปโตยไดช์มีอะย่อ น, นุกีคุปโตยไดช์มีเพื่อนหญิงแฟน โซเชโเ ช, ช, ชคุณมีแฟนไหมอเโเชอเโเชครับผมมีปอคำปอลูกสาวเบียไวซาีย คุณมีลูกสาวใช่ไหม Akeny v i c Akeny Vice? ไม่ผมไม่มีลูกสาว。ย s c a Yo Scam。